โยธรรมังปรสสติโสธรรมังนปรสสติสต so, <c oughs> ิอธิปัตจะยะสเพธธรรมะธรรมโมสักกะจังโสตโพเตอุสนเทภัสสะธรมะเทสนาววละโอกาสต่อไปนี้ญาติโย่ท่านสาธุชน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 เปลวมาจากไหนก็ไม่รู้กระทบเนื้อกระทบตัวศีษะบัง้งตมเนื้อตมตัวบัง้งเนี่ยก็ก้อนเดินบัง้งก้อนอิดบัง้งแล้วแต่มันจะเปลววดมานะ่ะทำให้องคุลิ ม, มาเนี่ยเจ็บปวดปวดล้าวทรมานะ่ะผลกรรมาพิบิบากพิบบาก ค, คือผลกรรมที่ทำไว้พระพุทธเจ้าก็รู้ว่า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 ความรู้สึกของเราน่เป็นตัวดูความรู้สึกนั่นคือสติหยมภาษาพุทธเจ้าว่าให้กําหนดไปคาว่ากําหนดก็คือสตินะกาหนดถ้ากําหนดตรงทําให้สบายๆนะจะไปเกรงนะหยมจะไปเกรงตัวจะไปวุ่นวายอะไร น, นั่งลองนั่งป่ปงโป่งดู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 แล้วยมจะไม่โทษอะไรใครเลยเทีนี้ไม่โทษอะไรทุกสิ่งอย่างแม้แต่สังบัดสิ่งแวดล้อมโยมก็ไม่ไม่โทษมันกิเลสตนาก็ไม่โทษมันกิเลสตหาก็ไม่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเทพบุธรจาว่าอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นตนหาคือความรู้สึกมันไม่เท่ากันมีบุรุษคนหนึ่งเดินทางในถิ่นทุรกันดานแลดจัดมาก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 ขณะไดเรามีสติไม่ว่าคุณโยมจะเดินไปเดินมาหรือโยมทําอะไรอยู่นั้นโยมกําลังปฏิบัติธรรมเพราะขณะใดที่เรามีสติที่ในจิตของเรามันจะไม่ไหลไปตามอารมณ์พูดง่ายแต่มันรู้อยู่ในขณะที่คุณโยมกําลังทําอะไรอยู่ขณะนี้กายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดเรื่องอะไรรู้ตรงนี้เอาเนื้อเนในโยมนะเอาเนื้อเนื้ อ, อมนะัเอเ น, ออนเห็นโยมตั้งใจปฏิบัติจันร์นะ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 ข้ามรถนนน้นทางรถก็ไม่ชนถ้าเรามีพุโทโธน ะ, ะที่รถชนมันจะเลาะจะลาบไปไหนก็ไม่รู้มันไม่มีสตินะกายเดินจุดถนนใจมันไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เน่เน่เน่ฮเหมือนขับรถเนะี่ยพอเพื่อแป๊แบเดี๋ยวรู้กระชัลบแล้วเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะมันจึงอยู่ที่ว่าเรามีสติย้อมถ้าไม่มีสติเราจะพุโทโธได้ไงเวลาเดินจงกรมจึงเราสติไว้ที่ใต้ฝ่าเท้าของเรานะหรือห้านิ้วเท้า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 อยากจงกงพหายใจเข้ามันจะพอดีให้ออกจะพอดีถ้าเราคิดมันจะหายใจไวอยู่เมือนจะโกรธกันนะอยากเข้าไปใกล้มันนะปากสันตาปากสันขึ้นมามือสันอยากเข้าไปใกล้นะมันจะโดนลูกกระปั้นเขานะมันมันมีอารมณ์มันจะหายใจไวเมื่อหายใจไวๆอย่าอาราิปัญญาไม่เกิดอ่ะทีเด็ดมันเข้าครอบงาใจของลรา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 ปฏิบัติอันนีด้เดียวเนี่ยถ้าเราทรงทรไม่โยก็ได้นิดเดียวเพราะนั้นเอาอย่างนี้นะย้ำๆกันอีกว่าขณะใดยมมีผู้รู้อยู่ในตัวของคุณโยมโยมกำลังปฏิบัติอยู่โยมจะลืมตาหรือวิ่งอยู่กับ้เล็แล้วแต่อาบน้ำอาบท่าแปรงปันล้างหน้าล้างตาอยู่กแล้วแต่เราต้องฝึกจิตของเราโยมถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันก็มีความทุกข์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 แยกไปเอามาไว้กับเราสิล้วจะไปร้อนทําไมสิที่มันร้อนเพราะเราไปเอาเขามาเป็นของเราเท่านี้เมื่อขณะใดคุณยอมมีอัศมิมานะสําคัญตัวเองว่ามีเรามีเขาเมื่อนั้นมันทุกเมื่อนั้นนนั่นที่จริงเราเขาไม่มีแต่เราไปหลงเราไม่รู้เราไม่รู้แต่เห็นไหมถ้าจิตของเรายังมีหญิงมีชายอยู่มันจึงวุ่นวาย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 พอาำกับเขาก็เหมือนทํากับเราะจริงไหมโยมว่าไม่ขิดเน่ยคุณโยมมันจะไปไหมอย่างอื่นก่อนมันไม่หัวอนก่อนไหมเนีใช่ไหมโยมเคยก่อไฟตั้งนั่นเนี่ยนั่งอยู่เนี่คนมันจะไปเผาอย่างอื่นได้มันต้องเผาหวาัวมอนก่อนก่อนคนเราเหมือนกันคุณโยมมันจะไปว่าคนอื่นได้ทีจริงมันว่าตัวเองก่อนแล้วแต่เราไม่เข้าใจ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 พระพุทธเจ้าจึงว่าโทโยธรรมังปัสะติโซธรรมังนปะสะัสเตหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นรัตถคดถ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นรัตถคดแม้จะจับชายกีบอนเอาไปคนนั้นก็ยังไม่เห็นรัตถคดนี่พระพุทธเจ้าอัปปะฮิอัเปเปหิพระวักกลิขึ้นไล่พระวักคลิหนีตอนจำเป็นกาบาทก็โอ้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแทนที่จะฟังธรรม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 พระพุทธเจ้าว่าไปก็ไปเลยนะกําเจารดก็กระโด ด, ดเขาตายนี่พระพุทธเจ้าเพ่งแ ส, สงสว่างพุ่งผุดไปโอ้ตกใจไปแสงสว่างมาจากไห น, นโยู่ธรรมังปะะัจเติโซธรรมานาปัจเตถ้าปรภาษาว่าผู้ใดเห็นธรรมปุ น, น, นั้นนี่เราจะสาธกนะถ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมปุณณ น, นไม่เห็เราจะท้าเราจะาท้าก็คือทำวิใน นีอย่างที่คุณยมหายใจเข้ายมมีสตินะยมอยู่กับพุทธเจ้าท่านึกถึงคุณพระเจ้าก็หายใจกลับพูก่อนหายใจออกมาสักสามวินนับหนึ่งสองสามโท่กนหายใจเข้ากันนับหนึ่งสองสาม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 นั่นคือธรรมะยมจะไปเรียนสูงมากให้เข้าใจกับตัวนี้แหละนี่พานไม่ใกลไม่ไกลหายใจก็ได้ยินนะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะใช่แล้วเรื่องลึกลับอะไรนะพราะพระพุทธเจ้าจึงจับกําใบไม้บ น, นึ่งประดู่ลายในวิญขึ้นมาพิสูจนทั้งหลายใบไม้ในกํามือเรากรับในเราป่าในามนังม้อปวกันนะโอ้เทียบกันไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ ใบไมในกำมือพระพุทธจองค์มีน้อยเดียวแต่ในเราป่ามีมากชั้นใดพิสูจร์ทั้งหลายเราเอาธรรมะมาสอนพวกเธอนะเราเอามาเฉพาะพวกเธอจะทําได้เท่านั้นแต่ส่วนที่เราจะถ้าพุตัสสรูมาอุปมาเหมือนใบไม้ในเราป่าแต่เร า, าเอามาสอนพวกเธอแค่นี้นะอุปมามืนใบไม้ในกำมือ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 ที่เขาบอกเรานะหยบอา้าวผู้โดยสารต้องพย า, ยามนะตอนนี้ต้องอย่าไปเอาเข็มขัดออกนะนะั้าน่ะเข็มขัดรัดเอวนะนะั่นน่ะเพราะตอนนี้พายุอากาศไม่ปกติมันมาอยู่ในคอมพิวถีเขาหมดแล้วมันรู้ก่อนหน้าลราหมดแล้วที่อาเจียนมันไปทำเข็มทิศมันไม่ได้มาจับเหมือนพวงอะไรเราหนี่มันนั่งเฉยเฉยเพียงแค่มันดูเข็มทิศแต่มันไปตามมันนะ่ะ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 อโคหัตตมิโลกชาเชโตหามัจมิโลกชาเชตโตอายามัติมาชาตินติธานิปุณณปวุินี่พระพุทธเจ้าเปิดโลกครั้งแรกเกิดขึ้นมาพูดได้เลยยอมสามชาติชาติหนึ่งพระโมโหสดชาติหนึ่งพระิสันดอนชาติสุดท้ายคือเจ้าชาติจัตทะเกิดขึ้นมาคือได้โชว์นิวขึ้นไปชี่ขึ้นบนฟ้ายอมเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกนี้